ตอนที่33ตสิามนักว่าราชการมนุษย์ไม่อาจยืนอยู่ท่ามกลางแสงเ จ, ะจะิดจ้าได้ตลอดไปช่วงเวลาอันรุ่งโรธแม้จะงดงามจับตาแต่ย่อมมีวันหม่นแสงลงสําหรับชูหลิงแล้วช่วงเวลาอันรุ่งโรธของเขาดูเหมือนจะเป็นตอนที่เขาในฐานะจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ขึ้นครองราชในพิธีใหญ่และกลายเป็นประมุขคนใหม่แห่งต้าอวีอย่างเป็นทางการทว่าชูหลิงกลับรู้ดีว่าตั้งแต่ต้นจนจบนี่ไม่ใช่ความรุ่งโรธของเขาแต่เป็นความรุ่งโรธของสามโฮต่างหาก ผ่านพิธีขึ้นครองราชที่ไร้ข้อโต้แย้งและมีความชอบธรรมทางกฎหมายนี้3ามโฮได้ก้าวเข้าสู่การบริหารราชกิจและว่าราชการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของต้าอวีแม้ต้าอวีจะมีกฎบรณฑบุรุษว่าฝ่ายในห้ามก้าวไกลการเมืองทว่ากฎบรณฑบุรุษจะดีเพียงใดสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่คนตายกำหนดไว้ส่วนคนเป็นย่อมจะวิเคราะห์จากแง่มุมต่างๆเพื่อหาคําอธิบายที่สมเหตุสมผลมาอ้างอิงจนได้ ความชอบทำในการว่าราชการของสาโฮก็คือแม้จักรพรรดิองค์ใหม่จะเฉลียวฉลาดแต่ยังเงยาวายนักแม้จะได้รับความรักจากจักรพรรดิเวินเท่จงและได้รับความปลดปรารจากจักรพรรดิเสวียนจุนจุงชนทว่าเมื่อคำนึงถึงรลักฐานความมั่นคงของต้าอวีจึงต้องเข้าร่วมบริหารราชกิจไปก่อนจนกว่าจักรพรรดิองค์ใหม่จะถึงวัยสวมหมวกทําพิธีบรร ล, ลุนิติภาวะเมื่อนั้นสามตําหนักจึงจะคืนอํานาจปกครองวันต่อมารุ่งสางดูเหมือนว่าพอได้เป็นห้องเต้แล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ชูหลิงนั่งอยู่บนแท่นบรนทมังกรมองไปที่ว่านชิวเ อ, อ๋อซึ่งยืนอยู่ข้างๆข้ายังคงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําฟาบาททรงอยากเปลี่ยนสิ่งใดและทรงอยากรู้อะไรเพคะว่านชิวเอ๋อยังคงมีสีหน้าเย็นชานางสพตาชูหลิงแล้วเอ๋อถามอย่างน้อยห้องเต้นในความเข้าใจของข้าควรจะมีอิสระและมีความเข้าใจในใต้ล่าที่ตนปกครองบ้างชูหลิงยิ้มพรางกล่าวกับว่านชิวเอ๋อเจ้าคิดว่าความเข้าใจของข้าผิดไปงั้นหรือไม่ผิดเพคะ ว่านชิวเอ๋อพยักหน้าแต่ฝ่าบาท ต, ต้องเสด็จไปยังตำหนักช้างเลิศแล้วนั่นสิชูหลิงถอนหายใจต้องไปแล้วเราจะเสียเลิกไม่ได้หลังจากไปตำหนักช้างเลิศแล้วยังต้องไปตำหนักเฟิ่องลวนและสุดท้ายคือตำหนักช้างชิวเพื่อถวายพระพรสามโฮกความเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วก่อนจะจัดพิธีขึ้นครองราชชูหลิงเอาแต่รั้งอยู่ในตำหนักต้าซิงไปที่ใดไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาสามารถออกจากตำหนักต้าซิงได้แล้วทว่าวกลับต้องเผชิญกับเรื่องยุ่งยากเรื่องหนึ่ง นั่นคือต้องไปถวายพระพรยามเช้าแก่สาโฮ่ทุกวันนี่คือจารีประเพณีของราชวงศ์ต้าอาวีต้าอาวีปกครองใต้ล่าด้วยความกตัญยูการเคารพต่อบิดามารดาและผู้อาวุโสเป็นสิ่งที่ต้องทําหากใครกล้าสแสดงความไม่เคารพก็เตรียมตัวถูกสังคมประนามจนไม่มีที่ยืนได้เลยใครอยู่ข้างนอกสิ้นเสียงของชูหลิงประตูตําหนักที่ปิดสนิทก็ถูกผลักออกช้าช้าหลีจงที่รอยอยู่นานแล้วก็นําขบวนคนกลุ่มใหญ่เข้ามาในตําหนักถวายบังคมฝาบาท ถวายบังคมฝาบาทท่ามกลางเสียงทำความเคารพชูหลิงลุกขึ้นจากแท่นบรรทมมังกรข้าราชบริพารนับสิบคนก้มหน้าเดินเข้ามาล้อมรอบพวกเขาถือสิ่งของต่างกันไปเพื่อประนิบัิชูหลิงนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันการที่มีคนจำนวนมากมาประนิบัิพร้อมกันเช่นนี้ทำให้ชูหลิงรู้สึกไม่ชินอยู่บ้าง ก่อนหน้านี้แม้เขาจะมีฐานะสูงส่งเป็นถึงจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แต่กลับถูกจํากัดบริเวณอยู่ในตําหนักต้าสิงทว่าตอนนี้พิธีขึ้นครองราชสิ้นสุดลงแล้วจะทําตัวเหมือนเมื่อก่อนย่อมไม่ได้แต่ในสายตาของชูหลิงดูเหมือนเขาจะกระโดดจากกรงขังหนึ่งไปยังอีกรงขังหนึ่งเท่านั้นชูหลิงไม่รู้ว่าในบรรดาคนที่มาประนิบัติเหล่านี้มีกี่คนที่ถูกส่งมาเป็นหูเป็นตานับจากนี้ไปคนเหล่านี้จะคอยประนิบัติอยู่เบื้องพระพักร่วมกับหลี่จงพวกเจ้าถอยไปให้หมดให้หลี่จงมาประนิบัดข หลังจากกล้างหน้าล้างตาเสร็จภายใต้การประนิบัิของทุกคนชูหลิงก็ขมวดคิ้วสั่งคนรอบข้างเมื่อคนเหล่านั้นได้ยินก็ไม่กล้าขัดราชโองการต่างก้มหน้าถอยไปยืนด้านข้างฟาบาดหลี่จงจึงเดินเข้ามาทำความเคารพชูหลิงอืมชูหลิงขานรับคำหนึ่งแล้วเดินไปนั่งลงหลี่จงก้มหน้าเดินตามไปจากนั้นก็หยิบหวีงาช้างขึ้นมาสางผมให้ชูหลิงฟาบาดตำหนักช้างชิวส่งคนมาแจ้งความแล้วพะยะคะ่ะ ขณะที่กำลังกล้าวผมให้ชูหลิงหลีจมก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงตำ่ำนับจากนี้ไปในการถวายพระพรยามเช้าฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องเสด็จไปยังตำหนักช้างชิวพยะค่ะพี่สะพายของข้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ชูหลิงได้ยินดังนั้นมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยแม้เขาจะเป็นพระอนุชาของต้าสิงห้องเต้และต้องเรียก จ, จงสู้ฮองหา ว, ว่าพี่สะพายทวายามนี้เขาคือจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งตาอวีการถวายพระพรายามเช้ามีไว้สําหรับผู้อาวุโสแต่ระหว่างเขากับนางหากพูดกันตามตรงถือเป็นคนรุ่นเดียวกันแม้ชูหลิงจะอายุเพียง8ดขวบแต่ก็ถือเป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่ดีหวังซิ่วใช้กลยุทธ์ถอยเพื่อรูกดูเหมือนนางจะไม่ได้ใช้การถวายพระพรายามเช้าเพื่อประกาศสถานะของตนเองแต่หากเรื่องนี้แพร่ออกไปย่อมต้องได้รับคําาชชื่ช่น่นนนนมออยงแ รับทราบแล้วชูหลิงกล่าวเรียบเรียบในเมื่ออีกฝ่ายต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาเขาก็ไม่ควรจะทําเป็นไม่รู้ความเพราะอย่างไรเสียวังอวีในยามนี้ดูเหมือนเขาจะเป็นใหญ่ที่สุดแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นสามตำหนักที่เป็นใหญ่จะกระพัดองค์ใหม่เช่นเขาจะทำอะไรนั้นไม่สําคัญที่สําคัญคือสามตำหนักจะทําอะไรต่างหากมนุษย์ย่อมเห็นแก่ได้ใครมีอํานาจก็เอ็นเอียงไปทางนั้นนี่คือสันดานและท่าแท้ของมนุษย์ยามนี้ชูหลิงยังคงมองหาโอกาส ดังนั้นเขาจะไม่อาจแสดงท่าทีที่พิเศษเกินไปได้ไหลาตามน้ําไปก่อนแล้วกันอย่างไรเสียเขาก็ยังเด็กต่อให้ต้องก้มหัวให้ใครก็ไม่ถือว่าเสียหน้าการเป็นเด็กอาจจะมีข้อเสียมากมายแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลยเสียทีเดียวเวลาผ่านไปทีละนาทีหลังจากชูหลิงแต่งกายเรียบร้อยเขาก็ออกจากตาหนักต้าซิงถ้ำกลางการห้อมล้อมของผู้คนเขาเดินตรงไปยิงเกี้ยวหลวงส่วนทหารจินจวินที่เฝ้ายามอยู่ภายนอกตําหนักต้าซิงกลับไม่มีใครขยับขยืขย่น การไปตำหนักชางเลอร์และตำหนักเฟิ่งหลวนนั้นถือเป็นเขตพระราชฐานฝ่ายในชายภายนอกหากไม่มีราชาองการห้ามเข้าโดยพลาการนี้เกี่ยวข้องกับพระเกียรติและหน้าตาของราชวงศ์หลีจงหลังจากไปตำหนักชางเลอร์และตำหนักเฟิ่งหลวนแล้วข้าต้องไปที่ใดต่อชูหลิงที่พิงเบาะนุ่มเหลือบมองหลี่จงที่เดินตามขบวนฟาบาสามารถเสด็จกลับตำหนักต้าซิงพยะค่ะหลี่จงก้มหน้าตอบเล็กน้อยหรือจะเสด็จไปยังตำหนักกะลูกก็ได้พยะค่ะ ดูเหมือนขอบเขตการกักบริเวณจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยสินะจากคำพูดของหลี่จงชูหลิงรับรู้ถึงสถานการณ์ของตนเองเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการตําหนักกระลุ้นั้นในยามนี้จะไปหรือไม่ไปก็ไม่มีความหมายมากนะักเพราะด้วยความจำอันเป็นเลิศของเขาเขาได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของต้าอวี่รวมถึงที่มาที่ไปของโลกใบนี้ไว้หมดแล้วฮ่องเต้ต้องเรียนหนังสือก็จริงแต่แค่พอใช้งานได้ก็เพียงพอแล้วฮ่องเต้ไม่จําเป็นต้องไปสอบจองหวนเสียหน่อย แล้วข้าไปพบหมูเฟยได้หรือไม่ชูหลิงนิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะมองไปที่หลีจงแล้วถามต่อหลีจงถึงกับสะดุ้งในใจช่วขณะนั้นเขาก็หมดปัญญาจะตอบจักรพรรดิจะไปพบพระมารดาผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและไม่มีใครตำหนิได้ทว่าในสถานการณ์เช่นนี้หากจักรพรรดิไปพบจริงๆริงเว่าแต่เรื่องอื่นเลยแค่พระมารดาหลวงอย่างเซิงเลี่ยเจออาะอวีฉือโสววงไทโฮเพียงคนเดียวนางจะคิดอย่างไรในใจ ช่างเถอไวร อ, อีกสองสามมันค่อยว่ากันเมื่อเห็นท่าทางของหลี่จงชูหลิงก็บกมือข้าไปถวายพระพรก่อนดีกว่าความจริงแล้วสำหรับชูหลิงเขาไม่ได้มีความผูกพันพิเศษอะไรกับพระมารดาผู้ให้กําเนิดคนนั้นเพราะเขาเป็นคนข่ามิติมาแม้จะเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิดแต่ก็นับเป็นเพียงความสัมพันธ์ทางสายเลือดเท่านั้นมารดาของเขามีเพียงคนเดียว ที่ชูหลิงเอ่ยเรื่องนี้กับหลี่จงก็เพราะไม่อยากอุดอู้อยู่แต่ในตำแหนักต้าซิงและถือโอกาสใช้เรื่องนี้ทดสอบปฏิกิริยาของคนรอบข้างรวมถึงปฏิกิริยาของคนสนิทและปฏิกิริยาของตี้หมู่ของเขาด้วยสิ่งที่ชูหลิงใช้เป็นข้อได้เปรียบก็คือความยาว์ตราบใดที่เขาสามารถไปในที่ต่างๆได้มากขึ้นเขาก็จะได้ไม่ต้องติดอยู่ในตําหนักต้าซิงเพราะหากเอาแต่รั้งอยู่ที่เดิมการจะมองหาโอกาสทําอะไรสักอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน